ตอนนี้มีข้อดีอย่างนะที่หลวงพ่อเห็นนะันคือมีคนหน้าใหม่ๆ ม, นะมาฟังธรรมเนี่ยเยอะพวกนี้ฟังซีดีดู YouTube พอวนาได้ฉันเยอะเลยภาวนาเป็นเรื่องรู้สึกตัวเป็นเรื่องเบสิ c มาถึงวันนี้ใครยังไม่รู้สึกตัวนี่ล้าหลังรู้สึกตัวก็เฉยไปหน่อย ต้องแยกขันได้แต่ปีหน้ามาตรฐานจะเปลี่ยนนะต้องเห็นขันสแสดงใจรักษ์ได้มันถือว่าช้าถ้าไม่เห็นขันสแสดงใจรักไม่ใช่วิปัสสนาเรียนเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องอินสีเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะนี่นี่คือความรู้ ที่เกี่ยวกับวิปัสสนามีขันธ์ธาตุอายตนะอินทนะรีย์ติดจากสมุ ป, ปบาทถนัดอไหนก็เรียนอันนั้นเรียนเรื่องขันธ์อันนี้เหมาะกับพวกที่ถนัดดูนามธรรมเรียนเรื่องอายตนะเ น, นี่ยเหมาะกับพวกถนัดรู้รูปธรรมเรียนเรื่องธาต อันนี้เหมากับพวกที่อยากรู้เยอะๆทั้งรูปธรรมนามธรรมจํานวนมากมันปฏิจจสมบาติเนี่ยมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมแสดงความเชื่อมโยงเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีงสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยเป็นการบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนฐาวบลทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะมีเหตุถ้เาเหตุดับมันก็ดับนก็ะจะเข้าใจธรรมะ เบื้องต้นเรียนอันเดียวก็พอไม่ต้องเรียนเยอะถนัดดูนมามธรรมก็าหานแยกขันไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วความรับรู้คือจิตหรือวิญญาณจิต มโนหรือใจมโนรือใจจิตมโนวิญญาณมันก็อันเดียวกันก็คือจิตนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่เวลาจิตไปทำหน้าที่แตกต่างกันก็มีชื่อเฉพาะเรียกต่างๆกันออกไปถ้าไปรู้ธรรมารมกเรียกจิตตรงนี้ว่าจใจใจเป็นคนรู้ธรรมารม วิญญาณนะก็คือจิตที่ไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีใจอีกงันในใจนะนอกจากมีใจแนละ้วยังมีมโนวิญญาณอีกนะซ้อนซๆอนซ้อนอ น, นะนแยกละเอียดออกไปจริงๆก็คือจิตนั่นแหละแล้วจิตทาหน้าที่ได้วิจิตพิสดารทาหน้าที่ได้ส4สี่แบบทาหน้าที่เยอะนะทำหน้าที่เป็นคนดู เป็นคนฟังเป็นคนได้กลิ่นเป็นคนได้รสเป็นคนรู้สัมผัสทางกายทำหน้าที่อยู่ในภวังเคลื่อนจากภวังหลุดออกมาจากภวังทำหน้าที่มาเปิดสวิตต์ว่าจะรับรู้อารมณ์ทางไหนทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นหรือทางกายมาเปิดสวิต แล้วก็ทำหน้าที่รับรู้ทางตาหูจมูกลินนะ้นกายทำหน้าที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจทำหน้าที่รับสัญญาณแล้วก็แปลความหมายของสัญญาณทำหน้าที่ให้ค่าสัญญาณนี้ดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วชอบไม่ชอบถ้าจากนั้นก็เสพอารมณ์เข้าไปเพลิดเพลิน ในสุขในทุกในดีในชั่วหลังจากนั้นก็เซฟข้อมูลมีจิตอีกดวงหนึ่งทําหน้าที่เซฟข้อมูลที่ออกมาเสวยอารมณ์มาเสริอารมณ์นะไปกอบความดีความชั่วอะไรไว้เก็บข้อมูลเอาไว้เก็บข้าวโพดอังกระจิตไว้คล้ายๆคอมพิวเตอร์เวลาจะปิดเครื่องนะเวลาจะชัดดาวอะไรเนีเยนะ่ยเซฟข้อมูลเก็บไว้เนี่ยเป็นวิบากที่จะติดตัวเราไป ถัดจางนั้นก็ทาหน้าที่ตกผวังไปจิตทาหน้าที่ได้เยอะนะยังทาหน้าที่เกิดด้วยทาหน้าที่ตายด้วยจิตนั้นทำหน้าที่ได้วิจิตที่เรียกว่าจิตเพราะมันวิจิตีิสดารหลากหลายาการเรียนเรื่องจิตเรื่องใจนั้นมีหลายระดับเรียนในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดสมาธิเรียนในเบื้องปลายเพื่อให้เกิดปัญญา เกิสมาธิก็คือที่เรียกว่าจิตสจตสิกขาจิตตสิกขาเราเรียนรู้เรื่องจิตจนเราแยกได้ว่าจิตแบบนี้เป็นจิตที่เกิดมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิจิตมันเดินไปแบบนี้สมาสมาธิยังแยกออกสองส่วนอารามณูพนิชานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง เคล็ดลับที่จิตจะเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งได้โดยไม่ได้บังคับก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็รู้จักการน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นั้นไม่ใช่บังคับเชี่ยวเข็นแค่น้อมๆแค่ละลึกละลึกแล้วบังคับนลจิตไม่สงบนี่เคล็ดลับมันก็มี สมาที่อีกตัวหนึ่งเรียกว่ารักขณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเลยจิตเป็นหนึ่งคือเป็นคนดูอารมณ์เนี้ยเยอะแยะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตเป็นแค่คนดูตัวนี้เอาไว้เดินปัญญาจะไม่เหมือนจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ท้วนแต่ทั้งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งทั้งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ท้วนเนี่ย สติไม่ขาดเลยถ้าขาดสติเมื่อไหร่จะตกไปข้างมิจฉาสมาธินี่เรียนเรื่องจิตนะเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องตอนนี้ควรจะพักก็พักในสัมมาสมาธิชนิดพักพรไม่ใช่ไปพักในมิจฉาสมาธิตอนนี้ควรจะเดินปัญญาไม่ใช่สมาธิชนิดเดินปัญญานะและเรื่องจิตเรื่องใจทัดจากนั้นก็เป็นเรื่องเจริญปัญญา ดูจิตเพให้เกิดปัญญามิตรีดูจิตให้เกิดปัญญาก็คือนี่ไปดูตัวจิตให้ดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่จิตไปรับรู้ก่อนรู้ความรู้สึกต่างๆที่จิตไปรับรู้แล้วก็รู้ทันปฏิกิริยาของจิตต่อความรู้สึกนั้นเช่นตาหูจมูกลิ้นไกาใจกระทบอารมณ์ กิสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลใช่ไหมนี่เกิดมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วขึ้นมารู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นถ้ารู้ได้ประเด็นขึ้นไปอีกก็จะเห็นว่าเมื่อมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วแล้วนะจิตเกิดปฏิกิริยาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเกิดยินดียินร้ายรู้ทันก็ไปอีกเราก็จะเห็นเลย ความรู้สึกทุกชนิดสู่ทุกดีชั่วเกิดแล้ดับทั้งสิน้นปฏิกิริยาของจิตที่เกิดขึ้นความยินดีร้ายเกิดเองไม่ได้สั่งให้เกิดเกิดขึ้นมาได้เองเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราหลงตามมันไปจิตที่จะหลงปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติขึ้นไปแต่ถ้าเรารู้ทันความยินดีร้ายมันก็ดับ จิตที่รู้อารมณ์ทั้งหลายรู้ความรู้สึกทั้งหลายด้วยความเป็นกลางแล้วก็เห็นความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันสุดท้ายก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาก็เข้าใจธรรมะขึ้นมากันดูจิตดูจิตนะไม่ใช่ไปนั่งจ้องจิตจ้องวางๆบางาคนบอกให้รักษาจิต ให้นิ่งให้ว่างนีรันดอนบางคนประคองจิตเอาไว้ความคิดนึกเกิดขึ้นตัดทิง้งรักษาจิตให้ว่างๆให้อย่างนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาหรอกได้สมาธิเท่านั้นเองสมาธิไม่ค่อยเอาไหนด้วยแต่ก็เหมาะกับพวกฟุ้งซ่านมากมันจะคิดให้บางทีคิดนะ่ะมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธหรือ ม, มาอยู่กับจิตอะไรย่างนี้ แต่ถ้าทำเป็นนะดูจิตดูจิตไม่ตื้นเท่านะั้นคำว่าดูจิตดูจิตดูให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องก็ได้นะดูให้เกิดปัญญาก็ได้ถ้าดูให้เกิดปัญญานะบางทีเราเห็นสภาวะเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดดับเห็นปฏิกิริยาของจิตต่อความรู้สึกเกิดดับบางทีบางคนอะ เห็นละเอียดเข้าไปเห็นกระบวนการทางานของจิตเห็นวิธีจิตบ้างวิธีจิตนั้นแจิตขึ้นภวังมาจนจิตตกภวังบางคนก็เห็นปฏิจจสมุปบาทแต่หัดใหม่ๆเห็นปฏิจจสมบัทิท่านปล่อยๆเห็นว่ามีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหา มีตัญหาก็มีความยึดถือมีความยึดถือก็มีความดิดนลของจิตมีความดิดนนของจิตก็มีการหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมามีการหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาหรือหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นอย่าง น, งนี้คือปฏิจจสุบตัติท่อนปลายตัวใหญ่ที่ว่าดูปฏิจจสุบัทไม่ถึงตรงนี้หรอกชีโมะนะไม่เห็นเลยเพราะอะไร จิตไปหยิบช่วยจิตมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนจะปฏิบัติเงินไม่เห็นหรอกว่าการหยิบเ่วยจิตขึ้นมาเป็นยังไงคำ ว, ว่าชาตนะิคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันหยิบช่วยเอาใจขึ้นมาแล้วไม่เห็นเลยว่าหยิบขึ้นมาแล้วเพราะงันที่เปลี่ยนปฏิจจสมบัติกันก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่เห็นจริงหรอก เห็นไหมรู้เปล่าว่าจิตยึดถือจิตอยู่ดูออกไหมดูไม่ออกรู้สึกตอนนี้ไม่ได้ยึดอะไรเลยต้องพาวนากันนานนะจนวันหนึ่งจิตวางจิตลงไปแล้วค่อยหยิบขึ้นมาใหม่ถ้าเคยวางสักครั้งหนึ่งอ่ะเราจะรู้เลยว่าการหยิบจิตขึ้นมามันเป็นไงก็รู้ว่ามันหยิบขึ้นมาเฮ้ยมันนี่มันชาติแล้วนะ <laughs> ชาติเกิดขึ้นแล้วทุกเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว พรนาคามีชาติไหมพระอนาคามียังมีชาติไหมมียังหยิบฉวยจิตอยู่หยิบจิตขึ้นมาดวงเดียวนียนะจิตดวงเดียวนี้เป็นงอกขันห้าขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยเพราะฉนั้นยังเกิดอีกพระอรหันต์วางจิตลงไปแล้วไม่หยิบจิตขึ้นมาอีกตัวจิตนั้นก็อยู่ในขันห้ามิญาณขันเป็นภาระ ใครเคยสวดมนต์บทนี้มั่งขันทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระไปก็ไม่พ้นจากทุกข์พระอริยเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแ ล, แล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ภาระตัวนี้ก็คือตัวจิตนั่นเองตัวอื่นวางไปก่อนแล้ตัวรูปตัวอะไรต่ออะไรวางก่อนความรู้สึกตัวอารมณ์อะไรวางหมดเลยแต่วางจิตไม่ได้ วางจิตไม่ได้หยิบจิตขึ้นมามีชาติเรียบร้อยแล้วนะไม่ทันนะดูไม่ทันแล้ืองที่ว่ารู้ปฏิจจสุบาติรู้ด้วยบุหาน ร, รู้ด้วยความจําไม่เห็นพระนนเป็นพระโสดาบันพระนนรู้ปฏิจะสุบัติแต่ไม่รู้ทองแท้อย่าร้อยเปอรนตวันหนึ่งพระนนก็ไปทูลพระพุทธเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมบาทเนี่ยที่ใครๆว่าลึกซึ้งนักนะปรากฏแก่ข้าพระองค์งว่าเป็นของตื้นคือดูแล้วเห็นจะยากเลยพรนะเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นพระนอนปฏิจจสมบตัตเนี้ยลึกซึ้งนักเพราะว่าไม่เห็นปฏิจจสมบาตนะยังเวียนว่ายไตเกิดอีก งั้นไม่ใช่ง่ายๆ่ายบคยก็ติความตรงนี้ว่าทําไมพระนอนว่าง่ายอันหนึ่งพระนอนเก่งมากรู้ได้เยอะนะก็เป็นไปได้ว่านะท่านเก่งอันที่สองพระนอนยังไม่เห็นจริงนะถ้าพระนอนก็รู้สึกว่าตื้นต้นเหมือนที่พวกเรารู้สึกปฏิจจสมบัติตื้นต้ น, ตนบางคนนะพูดใจใจใจพูดปฏิจจสุ บ, บัตนะิรู้หมดอวิชามีแปดประการนะ สังขารมีสามประการวิญญาณเป็นปฏิสนธิวิญญาณมีนามรูปมีเท่าไหร่ผัสสะมีเท่าไหร่อายตนะมีเท่าไหร่ผัสสะมีเท่าไหร่เวทนามีจำนวนเท่าไหร่ตัญหามีจานวนเท่าไหร่นะอุปาทานมีกี่ชนิดภพมีกี่แบบอธิบายได้จ้อยๆได้นะแต่ไม่เคยเห็นเลยว่าจิตหยิบจิตขึ้นมา มีชาติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลืมตาจิก็เข้ามาสร้างพบสร้างชาติเรียบร้อยแล้วเอารู้สึกตัวขึ้นมาจาัดรวังนะก็ออกมาสร้างพบสร้างชาติน ะ, ะาการปฏิจจสุบาทนะ่ลึกซึ้งไม่ใช่ของปุถุชนที่จะเห็นปุถุชนถ้าเห็นนันก็เป็นพราริยนะล้วถเห็นก็เห็นเป็นลําดับลําดับไปครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อไปนะตอนนั้นหลวงพ่อบวชพรรษาแรก ออกพรรษาล้นึกถึงหลวงปู่สวัตหลวงปู่สวัตใกล้จะสิ้นแล้วะก็รีบไปกราบหลวงปู่สวัตท่านก็พูดธรรมะให้ฟังบอกพระสักรทาคามีพระอนาคามีพระอราหันตะ์ก็เห็นธรรมอันเดียวกันเห็นธรรมะอันเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจถหากไม่เท่ากันบอนะืนะ อย่างเรารู้สึกเราก็เห็นปฏิจจสุบาทแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันเป็นลำดับลำดับยิ่งเราเป็นบุถุชนนะมันไม่เห็นจริงเห็นด้วยการจำเอาด้วยการตรึกเอายังไม่เห็นปฏิจจสุบตัตถ้าทำไงถือศีลห้าไว้ก่อนฝึกในรูปแบบทุกวันฝึกไปเพื่ออะไรให้สติเข้มแข็ง จะเป็นสติอัตโนมัติให้ศีลสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆให้สมาธิสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆให้ปัญญาการเจริญปัญญาคล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะสติศีลสมาธิปัญญา น, ทา น, นีทำงานอัตโนมัติการทำงานอัตโนมัตินี่มันเจริญปัญญาจริงๆได้แล้ว ถ้ามันยังไม่ทำงานัตโนมัตินะที่ว่าเจริญปัญญาเนี่ยเจือด้วยการคิดทั้งสิ้นยังเจือด้วยการคิดอยู่งั้นเราต้องฝึกทำไงสติจะอัตโนมัติรู้สภาวะบ่อยๆรูปธรรมหรือนามธรรมาก็ได้ที่รู้แล้วรู้สึกตัวได้บ่อยๆหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแค่นี้ก็มีสติได้ทั้งวันแล้ว เราลึกได้ทั้งวันล้ถึงความมีอยู่ของกายของใจยืนรู้สึกตัวเดินนั่งนอนรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันะนะเพราะว่าอิริยาบถหลักๆก็มีเท่านั้นเองเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวแค่นี้ก็รู้สึกตัวทั้งวันลเพราะทั้งวันมีแต่เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งนี่นคอยรู้สึกไป หายใจออกรู like like times, ้ส the the the ึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกความสุขหายไปรู้สึกมีความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นรู้สึกมีความทุกข์ในร่างกายหายไปความทุกข์ในร่างกายหายไปรู้สึกอย่างนี้ก็ได้โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธหายโกรธรู้ว่าหายโกรธอย่างนี้ก็ได้ รอบเพึ่นมารู้ว่าโลภหายโลภรู้ว่าหายนรู้ว่าโลภหายไปแล้วฟุงซ่านขึ้นมาก็รู้ว่าฟุงซ่านจิตสงบขึ้นมาก็รู้ว่าจิตสงบหดหู่รู้ว่าหดหู่หลงไปเผลอไปแล้วรู้สึกตัวเผลอไปรู้ว่าเผลอแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ช่วคราวเผลออีกแล้นี่หัดรู้สภาวะไป การที่เราหารู้สภาวะเนืองๆนะต่อไปจิตจำสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นสติอัตโนมัติจะเกิดไม่ต้องรู้สภาวะทั้งหมดสภาวะธรรมทั้งหมดมีเจสบตัวหนึ่งคือนิพพานพวกเราไม่เห็นออกเราเป็นพุทุชนสองคือจิตอีกจิตัวนั้นะเป็นรูปนามที่ขยายรายละเอียดออกไปมีรูปสิบแปดรูป แล้วก็เป็นนามนธรรมที่เหลือเกินจาจิตออกไปเรียกว่าเจตสิกห้าตัวสภาวธรรม72นะเยอะไม่ต้องเรียนทั้งหมดรู้มันตัวเดียวก็พอแล้วเช่นชี้โมโหก็เห็นเดี๋ยวใจก็ตุนตุนขึ้นมาแนละ้วเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ตุนตุนแล้วหายอย่างอื่นรู้ไม่เป็นเลยแค่นี้ก็พอละไม่ต้องรู้มากรู้มากยากนาน เรื่อขี้โกรธก็ดูไปใจโกรธก็รู้ใจโกรธก็รู้ใจหายโกรธก็รู้ชี้โลบก็รู้ไปโลภขึ้นมาก็รู้หายรลภก็รู้ขี้หลงใจไหลไปก็รู้รู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ง่ายๆต้องทําสม่ําเสมอหัดดูสม่ําเสมอไม่ใช่นานๆดูทีหนึ่งนรือไม่ได้ขยันเป็นช่วงๆแล้วก็ขี้เกียจยาวๆขยันสามวันขี้เกียจสามเดือนอย่างนี้นะ ไม่ได้กินหรอกจิตจําสภาวะไม่แม่นนานๆเจอทีก็จําไม่แม่นเจอบ่อยๆก็จําแม่นจําแม่นแล้วมันมีผลยังไงอย่างเราดูโกรธนะเราจําโกรธได้ล้ว ว, ว่าความโกรธมันเป็นแบบนี้ไว้มันมาแบบนี้มึงี้มันผุดขึ้นมาตรงนี้พอมันโกรธแว บ, บขึ้นมานะสติมันะระลึกเองเลยเโย้ยโกรธแล้วโกรธแล้วนะจะเป็นอย่างไงนะแต่ถ้าะระลึกร่างกายหะชจะออกให้จะข้าวมันจะลุก กำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังยืนเดินนั่งนอนไหดูร่างกายเนี้ยใช้คําว่ากําลังหายใจออกกําลังหายใจเข้ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนแต่ดูจิตดูใจโว้ยโกรธไปแล้วลบไปแล้วคํานี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคําว่ากําลังกับคำว่าแล้วแล้วหมายถึงว่าโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธลบไปก่อนแล้วรู้ว่าโลอบกาลังหมายถึงขนาดนี้แหละกำลังเคลื่อนอยู่แล้วรู้สึก ทำไมดูกายดูในปัจจุบันขณะได้เพาจิตใช้กายเป็นอารมณ์ทําไมดูจิตไม่เป็นปัจจุบันขณะแต่ว่าต่อนเนื่องกับปัจจุบันนี่คปัจจุบันสันตติถ้าจิตไม่รู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวในขณะที่โกรธเนี่ยมันรู้อารมณ์ที่ทําให้โกรธมันจะไม่มารู้จิตที่โกรธมันต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าเมื่อกี้มีจิตโกรธแล้วจิตมารู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวน ee, premier. ค่อยหัดรู้นะฝึก หัดรู้สภาวะเรื่อยๆแล้วสติอัตโนมัติเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองสบายสบๆไปกิเลสเกิดเมื่อไหร่รู้ทันกิเลสเกิดเมื่อไหร่รู้ทันสีนัตโนมัติจะเกิดรู้รายละเอียดแค่เพียงความฟุ้งซ่านคือนิวรณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ทันความฟุ้งซ่านคือใจมันจะไหลใจมันไหลไปไหลมารู้ทันรู้ทันสมาธิมันจะเกิดแล้วสมาธิมันตรงข้ามกับฟุ้งซ่าน เอฟุ้งซ่านเรารู้ทันมันก็ไม่ฟุ้งนะสมาธิก็เกิดแล้วเห็นจิตเคลื่อนไปรู้สึกเคลื่อนไปรู้สึกแค่นี้ก็เดินปัญญาได้แล้วก็จะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปนะก็เคลื่อนมันทรงอยู่ชั่วคราวมันก็เคลื่อนมันเคลื่อนไปชั่วคราวก็ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อีกผู้รู้ก็ไม่เที่ยงผู้หลงก็ไม่เที่ยงผู้รู้ก็ไม่ได้เจตนาจะรู้ผู้หลงก็ไม่ได้เจตนาจะหลงมันเป็นเองมันไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เดินปัญญา แค่เห็นดูจิตนะขยับ ก, กุ๊กกี้กุกกแค่นี้นะได้ครบหมดเลยนะได้สติได้ศีลได้สมา ธ, ไมาธิได้ปัญญางั้นดูจิตนะประณีตลึกซึ้งมากนะดูแล้วจะเห็นอะไรดูแล้วสุดท้ายเห็นปฏิจจสม บ, บัติจะเห็นอริยสัจอริยสัจระลึกซึ้งนะความไม่เห็นอริยสัจเรียกว่าอาวิชชา ระดับใดที่อวิชชา ย, ยังอยู่เชื้อเกิดยังอยู่ในใจเรายังเกิดอีกเกิดเป็นยังไงเกิดก็คือการที่ได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจการไปหยิบฉวยเอาอายตนะต่างๆโดยเพราะการหยิบฉวยเอาใจขึ้นมาในขณะ น, นี้ทุกคนหยิบฉวยใจอยู่แต่เรายังไม่เคยเห็นว่าหยิบฉวยอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เคยวาง ถ้าภาวนาไปบางช่วงนะจิมจะวางจิตได้นะมันจะไปหยิบขึ้นมาอีกคราวนี้เรารู้เลยว่าเฮ้ยหยิบอยู่ในว่าแล้วคราวเนี้ยจะเหลือแต่ทุกข์ละนี่คือภาระที่ถืออยู่ตลอดเวลาในวัฏฏะนี้และไม่เคยเห็นว่าถืออยู่อย่างส่วนหลวงพ่อถือแก้วน้ำอย่างเงี้ยเคยชินไปไหนต้องถือแต่แก้วน้ำก็มาเดาดูปแปลกหน่อยเอาสมมติว่าไปไหนก็ถือแต่ยาดมค่อยดูสมจริงน่อย ถืออยู่เรื่อยๆนะจนลืมไปว่าถือไม่รู้สึกว่าถือวันหนึ่งนะถือไว้ทำไมว้างยังไม่ได้ใช้วางลงไปมือว่างๆขึ้นมาแล้วพอไปหยิบมาอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยมันจะเป็นภาระขึ้นมาแนละ้วจิตนี้ก็เหมือนกันภาระวางลงไปแล้วนะแล้วพี่หยิบขึ้นมาอีกจะรู้เลยนี่คือทุกขันทั้งห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระไปนะก็ไม่พ้นจากทุกข์ พระอริยเจ้าคือพระอรหันตนะ์วางภาระลงแล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่เห็นไหมมีวางแล้วหยิบฉวยใหม่นะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์วางภาระแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่ไม่พ้นทุกข์พระอริยเจ้าวางภาระที่มีแล้วนะั้นแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกท่านเลยพ้นจากทุกข์ค่อยเรียนนะค่อยค่อเรียนค่อยค่ อ, คอดูฝึกสติให้มากๆาือศี่ห้าไว้แล้วก็ฝึกสติเรื่อยๆไป รู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปสบายๆถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูอะไรไม่ได้ก็ทาความสงบทำสมถะใช้หลักอย่างนี้ไปรักษาตัวประคับประคองตัวเองไปวันหนึ่งก็ถึงฝั่งฝั่งของพนิพพานไม่ได้อยู่ไกล8ปด0มนสี่พันโยชนะฝั่งของพระนิพพานอยู่ข้างหน้านี่เองหาแทบตาย ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังบอกพอเจอแล้วนะแทบด่าตัวเองเลยท่านท่านไม่ใช่ว่าแทบด่าท่านบอกด่าตัวเองเลยนะว่าทาไมมนโงู้ของอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเที่ยวไปหาซะที่อื่นหาซะไกลเลยเที่ยวแสวงหาไปนี่แท้อยู่ต่อหน้าเรานี่เองนี่พานไม่ได้อยู่ไกลๆนี่พานอยู่ตรงนี้เองนะอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ถ้าใจมีคุณสมบัติพอเมื่อไร่ก็เห็นเมื่อนั้น ทุก ว, วันนี้ใจดวงนี้ยังอยากกระด้างอยู่ยังมีคุณสมบัติไม่พอมันก็เห็นในสิ่งที่มันควรจะเห็นเห็นถ้าใจเราสะสมโทสะไว้มากมันก็จะเห็นนรกเพราะว่ามันควรจะเห็นใจเราสะสมความโลภไว ม, มากมันจะเห็นเปรตตวิสัยเปรตภูมิภูมิเปรตนะใจเราอยู่ในวิสัยแห่งเปรต ถ้พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกเซวล์จัดนะพวกนี้พวกอสุรกายนะถ้าพวกขี้หลงหลงไปเรื่อยๆเพลินๆไปไม่มีอะไรทำก็หลับพวกเดรฉาณเนืนะ่อ ใ, ใจของเรามีคุณภาพแค่ไหนนะเราก็จะไปสู่ภูมิอย่างนั้นแหละใจเรามีศีลมีธรรมเราก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาใจเรามีสมาธิไว้เป็นพรหม ถ้ ใ, ใจเรารู้ความจริงของรูปนามอย่างแจ่มแจ้งจะไปนิพพานไม่งั้นทาเหตุกับผลก็ต้องตรงกันอยากนิพพานแต่ใส่บาตรอย่างเดียวแล้วขอ nippan ไม่นิพพานเหตุกับผลไม่ตรงกันเรียภาวนาทุกวันเลยแต่ไม่รักษาศีลก็ไม่นิพพานคุณสมบัติไม่พองั้นจําเป็นหมดนะศีลสมาธิปัญญาจําเป็นทั้งนั้นเลยความดีทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าให้ทําต้องทํา ความชั่วทั้งหลายที่ท่านห้ามต้องไม่ทำน ะ, อะพอสมควรไปกินข้าว